คนเมื่อตายแล้วจะต้องเกิดเป็น และสิ่งแวดๆอย่างแล 300 กว่าปีแล้วนับปีในโลกมนุษย์ มันเป็นโอปปาติกะประเภทที่ไปไหนมา พวกสัตว์ก็เหมือนกันส่วนๆเท่าพอท่านเกิดมาท่านก็เห็นว่ามันมีอยู่อย่างนั้นเมื่อท่านได้ตอบอย่างนี้แล้วอยู่ในโลก แล้วข้าพเจ้าก็ได้ถามท่านต่อไปอีกว่า คนเมื่อก่อนมีรูปร่างลักษณะอย่างไรเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นโอปปาติกะเมื่อ และในทํานองเดียวกันทะเลสาบแม่น้ํา ท่านบอกว่าต้นไม้ภูเขาใช่หรือ เนื่องจากส่วนมากก็จะเห็นสภาพของโลกทิปเหมือนกับโลกมนุษย์ทุกอย่างที่ซึ่งไม่มีอยู่ในโลกมนุษย์เลยเขาจะมองไม่เห็นเป็นนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นจินตนาการทางจิตใจที่เขาสร้างขึ้นเองใช่หรือไม่ ท่านตอบว่าตอบว่าจะและท่านล้อมและล้อม สิ่งแวดล้อมในโลกมนุษย์ก็เห็นตามความเป็นจริงล้อมซึ่งจะเห็นทั้งสองอย่างพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันก็ได้โลกมนุษย์ นั้นแล้วข้าพเจ้าได้ถามท่านคนนั้นใช่หรือไม่เช่นอะไรต่างๆ คือแม่จะต้องฝันก่อนโอปปาติกะจะ อาจจะผ่านการเกิดเป็นโอปปาติกะเพียงชั่วแวบนึง เป็นรูปประเภทไหนอย่างไรสำหรับความ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามาก เกิดกรรม บางพวกก็รู้ตัวล่วงหน้าว่าตนเองจะไปเกิดในที่ไหนแต่บางพวกก็ไม่รู้ก็รู้ตั๋วล่วงหน้าว่าตนเอง ซึ่งแม่มักจะอยากกินของต่างๆนี้ความอยากในขณะแพ้ท้องนี่รุนแรงกว่าในเวลาปกติมากความอยากเหล่านี้เกี่ยวกับอะไรทางแพทย์เขาบอกว่าโดยมากจะเกิดจากความต้องการของร่างกายของแม่และเด็กซึ่งหมายความว่าของต่างๆนี้ ความเห็นของแพทย์ในลักษณะเช่นนี้ถูกหรือไม่เห็นมีส่วนถูกอยู่บ้างแพทย์ซึ่งอาจจะใช้เป็นหลักในการสังเกตได้ว่าผู้ที่มาเกิดนั้นเป็นคนประเภทไหนเช่นเคยชอบเคยต้องการอะไรถูก จะถูกถ่ายทอดมายังจิตสํานึกของแม่ได้ อัน 1 ท่านได้อธิบายที่ ก็จะทําให้เกิดความต้องการอาหารหรือวัตถุเชนหรือควายเพราะฉะนั้นความต้องการของวั่วควายที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารธรรมชาติทางร่างและ แต่เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษบางประการของอวัยวะแต่ละอย่างย่อมไม่เหมือนกันและคุณสมบัติพิเศษที่ว่านี้ก็ได้มาจากอาหารเช่นในเมื่อคน 2 คนมีระดับสติปัญญาไม่เท่ากันมาตั้งแต่เกิดนั้นย่อมหมายความถึงว่าคุณสมบัติของสมองย่อมไม่เหมือนกันวัตถุธาตุที่เป็นส่วนประกอบแห่งโครงสร้างของสมองก็ย่อมไม่เหมือนกัน ซึ่งอาจจะเช่น ความแตกต่างในทางร่างกายแตกต่างในทางร่างกายซึ่งเนื่องมาจาก ต่างตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายอีกด้วยตัวอย่างที่เห็นได้ สภาพแห่งจิตใจและสภาพแห่งร่างกายในชาติก่อนของผู้ที่มาเกิดในท้องแม่แห่งจิตใจและ หมายเหตุจากหนังสือวิญญาณฉบับที่ 4 เมษายนพุทธศักราช 2509 เรื่องเสียงสวรรค์ได้ ส่วนข้อความที่ถ่ายทอดลงในหนึ่งสือวิญญาณฉบับนี้ข้อเม 23 เมษายนพุทธศักราช 2509 เวลา 19 น. 30 นาทีต่อหน้าบุคคล 14 คนซึ่งส่วนมากก็เป็น ซึ่งได้ถามปัญหาดังต่อไปนี้จนดับดินฟ้าถามปัญหาดังต่อไปนี้จนดับดินฟ้า ไม่ต่อไปต่อ